รัตรปิฎกเล่มที่สิบสองพระถวิณีตสูตรว่าด้วยราชรสเจ็ดปัดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกาลันธกานิวาปสถานเขตกรุงราชกุลครั้งนั้นภิกษุผู้มีถิ่นกำเนิดเดียวกันจำนวนมากจำพรรษาในท้องถิ่นของตนแล้วได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอที่ภิกษุเพื่อนพรมจารีในท้องถิน่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอาปิชกถาเรื่องความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุทิฏฐิกถาเรื่องความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกกระถาเรื่องความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวอสังสักกถาเรื่องความไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าววิริยารำพักกถาเรื่องการปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีลสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุติและกล่าววิมุตติสัมปทาคถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัทสนะและกล่าววิมุตติยานทัทสนะสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัทสนะแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาดแนะนำชี้แจงให้เพื่อนปรมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาดหานแกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุท้องถิ่นเหล่านั้นกราบทูลว่าท่านพระปุณณนนมันตณีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนกระมารีท้องถิน่นยกย่องตามนั้นทั้งหมดคําว่าเป็นผู้มักน้อยหมายถึงความมักน้อยสี่ประการคือหนึ่งเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี 2. เป็นผู้มักน้อยในทุดงคือไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนสมทานทุดง 3. เป็นผู้มักน้อยในการเล่าเรียนคือไม่ปรัชนาให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นพระหูสูตและ 4. เป็นผู้มักน้อยในการบรรลุธรรมคือไม่ปรัชนาให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นพระโสดาบันเป็นต้น สำหรับคำว่าเป็นผู้สันโดษหมายถึงความสันโดษสามประการคือยะถาลาภสันโดษเป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ทั้งดีและไม่ดียะถาภะสันโดษเป็นผู้สันโดษตามกำลังทั้งกำลังของตนและของทายกและยะถาสาวรูปสันโดษเป็นผู้สันโดษตามสมควรแก่สมณะภาวะ สันโดษสามประการในปัจจัยสคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริขารจึงรวมเป็นสันโดษสิบสองเป็นผู้สงัดหมายถึงมีวิเวกสประการคือกายวิเวกสงัดกายได้แก่อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถจิตตวิเวกได้แก่ได้สมบัติ8 และอุปธิวิเวกได้แก่บรรลุนิพพานเป็นผู้ไม่คลุกคลีหมายถึงไม่คลุกคลีด้วยการคลุกคลีหประการคือการคลุกคลีด้วยการฟังการคลุกคลีด้วยการเห็นการคลุกคลีด้วยการสนทนาปราศัยการคลุกคลีด้วยการอยู่ร่วมกันและการคลุกคลีทางกายเป็นผู้ปาราบความเพียร หมายถึงการทำความเพียรทางกายและทางจิตให้บริบูรณ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคำว่าศีลในที่นี้หมายถึงปริสุทธิ์ที่ศีลสีประการคือ 1. นึศีลคือการสังวรในพระปาฏิโมกข์ 2. สศีลคือการสำรวมอินทรีย์หกสศีลคือการพิจารณาใช้สอยปัจจัยส 4. 4. ี ศีลคือการเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์สำหรับคำว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิคำว่าสมาธิในที่นี้หมายถึงสมาบัติ8คือรูปฌานสีและอรูปฌานสีอันเป็นบาทแห่งวิปัสสนาขณะนั้นท่านพระสารีบุตรได้นั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ณที่ใกล้ได้มีความคิดว่า เป็นลาภของท่านพระอุณนมันตณีบุตรท่านพระอุณมันตณีบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนโรมาจารีผู้เป็นวินยูชนเลือกเฟ้นกล่าวยกย่องพันนาคุณเฉพาะพระพักของพระาศาสดาและพระาศาสดาก็ทรงอนุโมทนาการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านพระอุณนมันตณีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงราชคฤื้ตามพระอัธยาศัยและจึงเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีท่านพระอุณมันตนีบุตรทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่กรุงสาวัตถีจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค หลังเข้าเฝ้าแล้วจึงไปพักพรในเวลากลางวันที่ป่าอันธวันภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปพบและบอกเรื่องนี้แกทท่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรจึงเดินทางตามหลังท่านพระปุณณมันตนีบุตรไปที่ป่านั้นเช่นกันเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามลำดับวิสุธทธิเจ็ดครั้นในเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นและเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานีบุตรถึงที่อยู่ได้ถามท่านพระปุณณมันตานีบุตรว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติปรมาจารย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุท่านประพฤติปรมาจารย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลและวิสุทธิ คือความ ic th ic th ic หมวดจดแห่งศีลหรือเพื่อจิตตะวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตหรือเพื่อทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิหรือเพื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยหรือเพื่อมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง หรือเพื่อปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิความหมวดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดําเนินหรือเพื่อญาณทัศนวิสุทธิความหมวดจดแห่งญาณทัศนหรือเพื่อมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อญาณทัศนวสนิวสุทธิท่านพระอุณะมันตนีบุตรก็ตอบแต่ละข้อว่า ไม่ได้ทำเพื่อสิ่งเหล่านั้นผมประพติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพานอนุปาทาปรินิพานหมายถึงปรินิพานที่หาปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แต่ในที่นี้พระเถระหมายเอาสภาวะเป็นที่สุดเป็นเงื่อนปลายเป็นที่จบการประพติพรหมจรรย์ของท่านผู้ถืออปัจยะปรินิพาน ท่านพระสารีบุตรได้ถามว่าศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าข้อนี้หาไม่ได้ท่านพระสารีบุตรถามโดยในยะเดียวกันทีละข้อว่าจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ ยานะทัศนะวิสุทธิและธรรมะนอกจากธรรมะเหล่านี้เป็นอนุปาทาปริิพานหรือพระปุณณนนมันตนีบุตรตอบว่าแต่หลักข้อนั้นไม่ได้เป็นอนุปาทาปริิพานท่านพระสาริบุตรจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะตึงเห็นเนื้อความของคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้ได้อย่างไรท่านพระปุณณมันตนีบุตรกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมะที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพานโดยในยะเดียวกันถ้าทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิหรือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณวิสุทธิมัคคามัคคยญาณทัศนวิสุทธิ ปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุทธิหรือญาณทัศ น, นวิสุทธิถ้าทรงบัญญัติแต่ละข้อนั้นว่าเป็นอนุปาทานปรินิพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมะที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทานปรินิพานท่านผู้มีอายุถ้าธรรมะนอกจากธรรมะเหล่านี้จะเป็นอนุปาทานปรินิพานแล้วอุทุชนก็จะพึงปรินิพานเพราะว่าอุตุชน เว้นจากธรรมะเหล่านี้ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังคนฉลาดบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งถ้อยคําได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถเจ็ดปลัดท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประสเสนที่โกศลกำลังประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี มีพระราชกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตและในระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องต่อรถถึงเจ็ดผลัดครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนธิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีท่งรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งที่ประตูพระราชวังเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งปลัดที่สองจึงทรงสลัดรถพระที่นั่งปลัดที่หนึ่งส่งรถพระที่นั่งผลัดที่สอง เสด็จไปถึงรถพระนั่งผลัดที่สจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่สองทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัที่สเสด็จไปถึงและสละรถพระที่นั่งคันเก่าไปรถพระที่นั่งคันใหม่จนถึงรถพระที่นั่งผลัดที่เจจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่หทรงรถพระที่นั่งพละที่เจเสด็จไปถึงประตูเมืองสาเกต ด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดถ้าจะพึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เสด็จจากกรุงสาวัตถีถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวใช่หรือไม่ท่านผู้มีอายุพระจาประเสธิโกศลจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระสาริบุตรตอบว่ า, พ ร, าพระเจาประเสริโกศลต้องตรัสตอบว่า นั่งทีลพลัดจึงจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิมีจิตตะวิสุทธิเป็นเป้าหมายจิตตะวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป้าหมายทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมาย กังขาวิตรณะวิสุทธิมีมัคคามัคคยาญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายมัคคามัคคยาญาณทัศนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิมีญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายญาณทัศนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพานเป็นเป้าหมาย ท่านผู้มีอายุผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยแท้เมื่อท่านพระปุณณมันตณีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรมจารีรู้จักท่านว่ายอย่างไรท่านพระปุณณมันตณีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อว่าปุณณ แต่เพื่อนพระมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่ามันตานีบุตรท่านพระสาวรีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรร์จิงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเลือกเฟ้นนํามากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึง้งตามเยี่ยงอย่างพระสาวก ค, คู่ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคาสอนของพระาศาสดาโดยทองแท้จะพึงกล่าวแก้ฉ น, นั้น เป็นลาบอย่างมากของเพื่อนพระมจารีทั้งหลายเพื่อนพระมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นเดนางไกลท่านปุณณมันตณีบุตรนับว่าเป็นลาบอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นเดนางไกลท่านปุณณมันตณีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตนีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไร และเพื่อนรภมจารีทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อว่าอุปติตสักแต่เพื่อนโภมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกผู้ทรงคุณคลายกับพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อว่าสารีบุตร ถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรคำเปรียบเทียบเท่านี้คงไม่จาเป็นสำหรับกระผมนางอัจจรันจริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านพระสารีบุตรเลือกเป็นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึง้งตามอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาโดยท่องแท้จะพึงถามฉะนั้น็นลาบอย่างมากของเพื่อนโรมจารีทั้งหลาย เรื่อนพระมารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้นับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรพระมหาหนาคทั้งสองรูปนั้นต่างชื่นชมพาสิทธ์ของการละกันดังนี้แลจบพระธรรมวินีตสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สบสอง